ก็ได้ฟังไฟล์ของหลวงตาหล า, หลายๆไฟล์แล้วก็นํามาปฏิบัติค่ะแล้วก็จะมีอยู่รู้สึกว่าจะประมาณเมื่อเช้านี้แล้วก็สัปดาห์มีสองครั้งอะค่ะจําไม่ได้แต่ว่าก็หลวงตาได้ตอบคําถามหนูแล้วอ่ะค่ะก็คือว่าแบบช่วงที่ใกล้ที่จะแบบว่าช่วงที่ใกล้ที่จะบอกว่าตื่นนอนก็คือประมาณตีสี่ะค่ะก็คือว่าจะตื่นแล้วก็ มันงวงเงียงะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเริ่มจะหลับก็จะได้ยินเสียงหนึ่งที่มันพูดขึ้นมาเองมันพูดขึ้นมาเองก็จะรู้สึกเฮ้ยมันพูดได้ไงวะอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกแบบตกใจนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็พอย้อนกลับไปฟังที่หลวงตาสอนก็จะรู้ว่ามันใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยกับสิ่งที่หลวงตาสอนว่าคือตัวรู้อะค่ะที่มันพากันพูดขึ้นมาเองโดยที่ เราแบบว่าไม่ได้ตั้งใจไปคิดหรือว่าไปแบบรู้สึกงันอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็คือว่าจะพยายามเพียรตรงที่ว่าทุกวันก็คืออ่าเวลาเดินอย่างเงี้ยค่ะก็จะพยายามพุดโทรไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือพุดโธรพูโธตามตามแบบว่าไม่ได้ คือตามจริตของตัวเองซึ่งเป็นคนที่ทําอะไรค่อนข้างรวดเร็วอยู่แล้วก็คือจะพุทโทพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือว่าเวลาที่บอกว่าตื่นเช้ามาแล้วก็จะรู้ว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยจากเดิมเนี่ยพอตื่นเช้ามาเราจะรู้สึกว่าทําไมเราไม่สบายเลยจิตใจเราไม่สบายเลยคือแบบทุกวันนี้มันใช่หรือเปล่าในสิ่งที่เราทําอยู่อะไรเงี้ยก็จะแบบไปนั่งสมาธิ เพื่อที่จะให้รู้สึกว่าในเวลาที่เรานั่งเนี่ยเวลาที่จิตมันว่างแล้วมันสงบเนี่ยมันรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันมันสุกอะแล้วมันก็รู้สึกว่าเนี่ยถ้าหลังจากออกจากสมาธินี่ยเราต้องดีขึ้นแน่เลยก็คือจะทําอย่างนั้นอะบ่อยๆจนรู้สึกว่าทําไมมันไม่รู้สึกหายไปเลยไอ้ตัวโมหะไอ้ตัวโทสะที่มันมีอยู่ในใจเราทําไมมันยังรู้สึกว่ามันเห็นนะว่ามันไม่ดีแต่ทําไมเราไม่สามารถที่จะแบบ วางมันได้หรือว่าที่จะ ก, ก้าวข้ามมันไปได้อะไรเงี้ยก็จะรู้สึกทุกกลับมาทุกอีกทุกๆครั้งเนี่ยค่ะก็ทุกวันนี้ก็คือจะก็พอได้มาฟังไฟหลวงตาก็รู้สึกว่าต้องกล่าวขอบคุณจริงๆที่แบบหลวงตาได้ชี้แนะแนวทางรู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองแบบดีขึ้นก็เริ่มรู้สึกว่าอ๋อมันไม่มีเลยเลยมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลย ที่ทุกๆว่าเราตื่นมาเลยตลอดเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันจะมีบางสิ่งที่เข้ามากระทบกับตัวเรามันมันมั น, มนเป็นเรื่องธรรมชาติมากทุกคนก็เป็นเพียงแต่เราแค่ว่าเราไม่ไปปรุงคือไม่เอาความคิดของเราอ่ะไปปรุงกับมันต่อไปก็แค่รู้แล้วก็ปล่อยช่างมันช่างมันช่างแมงช่างแม่งคือก็พยายามคิดอย่างแอว่าเออช่างมันช่างมันเอ้าเงาเลยอ่ะ ทุกไปเลยทุกไปเลยแต่สักพักหนึ่งพอเราพี่นาดีๆเราจะเห็นว่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ซอนขึ้นมาจริงๆคือมันจดมาตัดในเรื่องที่เราทุกแล้วมันก็จะเฮ้ยเอ้ยมันหายไปเว้ยเราก็จะเห็นว่ามันทุกแล้วเออมันหายไปเว้ยแล้วก็จะมีเรื่องใหม่ให้เราคิดก็เลยรู้สึกว่าเออเรามันต้องวางอ่ะก็คือวางให้หมดก็ไม่ได้คิดอะไรก็ทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนี้ตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าอย่างนักข่าไนนี้ก็คือมานั่งมามามากราบหลวงตานี่ก็รู้สึกตื่นเต้น ใจมันก็สั่นก็รู้สึกว่ามันควบคุมไม่ได้มือไม้มันก็สั่น ก, ก็ก็ปล่อยมันไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ไปสนใจไม่ได้ไปพยายามอะไรกับมันค่ะช่างมันแล้วก็ตอนนี้ค่ะหนูจะลบกลัวเรียนถามก็คือว่าหนูพยายามก็คือพยายามฝืนหลายๆอย่างเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าตัวเองอะขยันมากกว่าเดิมเพราะว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างติดนิสัยหลักความสบายแล้วก็ขี้เกียจก็จะรู้สึกว่าการนอนเนี่ย เป็นความเป็นความสุขของหนูมากมากเลยแต่ตอนนี้คือก็จะพยายามตื่นขึ้นม า, อาตอนเช้าเพื่อที่จะมาสวดมนต์ทาวัดเช้าแล้วก็รีบกลับบ้านแล้วก็ทํางวัดเย็นอย่างเงี้ยค่ะอ่าดีแล่ดีดี ด, ดีชีวิททำประโยชน์ตนในถึงที่สุดนะแล้วก็ทำประโยชน์ท่านนะชีวิตที่เห ล, ลือก็ทาประโยชน์ตนประโยชน์ท่านดีละดีดี หนูขอลบกลัวเรียนถามนะคะแล้วการที่บอกว่าณปัจจุบันเนี้ที่ที่หนูมานั่งกราบหลวงตาเนี่ยหนูเห็นว่าในความรู้สึกของหนูเนี่ยมันมีรู้สึกว่ามันจะไม่ไม่ค่อยสบายมันไม่ค่อยสบายแบบไม่ค่อยสบายใจหนูก็แค่มองมันแล้วหนูก็แค่มองมันหนูก็แค่มองมันแต่หนุมมันก็จะมีอีกความรู้สึกของหนูที่มันเป็นความรู้สึกที่มันว่างจะไม่ได้ไปใส่ใจมันอันนั้นคือถูกแล้วใช่ไหมคะไม่อย่างนั้นเนี่ยใช่ จิตมันทุกข์เราไม่ทุกข์ความทุกข์มีอยู่แต่ใจไม่ทุกข์ไม่จะบอกความทุกข์ไม่มีความทุกข์ม <ma ันมีอยู่ความไม่สบายใจมันก็มีอยู่แต่ใจไม่ทุกข์มันคนละเรื่องกันความทุกข์หรือสุขมันเป็นเรื่องของเวทนาขันแต่ใจมันไม่มันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรมันไม่ได้สุขหรือทุกข์ด้วยความผ่องใสหรือเศร้าหมองเป็นเรื่องของเวทนาขันใจมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรมันก็ไม่ผ่องใสไม่เศร้าหมองด้วย ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเครียดไม่มีไม่มีอารมณ์ไม่มีอาการมันมีทุกอย่างน่นแหละแต่มันไม่มีปัญหามันมีอะไรก็ไม่มีปัญหาเราก็มีปัญหากับมันมันจะเป็นยังไงเราก็ไม่มีปัญหากับมันมันจะเป็นยังไงเราก็ไม่มีปัญหากับมันมันจะสุขมันจะทุกข์เราก็มีปัญหากับมันมันจะตึงๆหนักๆเราก็มีปัญหากับมันมันจะว่างๆเบาๆเราก็มีปัญหากับมัน ไม่มีปัญหากับมันสักอย่างเดียวแล้วใครจะมีปัญหาถ้าเราไม่มีปัญหาสักอย่างมันไม่มีปัญหาหรอกอาการท้องใจอะแต่เราเนี่ยมีปัญหาเองอ่ะถ้าเราไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยในโลกนี้เสียงก็ดังโคมโคมโคมเนี่ยเราไม่มีปัญหากับเสียงสักอย่างหนึ่งอะก็เห็นมีอะไรเลยแต่ถ้าเราหงุดหงิดเสียงโอ๊ยเราจะสนทนากันจะสนทนาธรรมจะฟังธรรมถ้าเราไปมีปัญหากับเสียงเริ่มมีปัญหาแหละแต่เสียงมันก็ดังมันไปแน่แต่เราใจเราไม่มีปัญหาก็ไม่มีปัญหา อาการท้องใจมีปัญหาอยู่มาตลอดแหละขันห้าเนี่ยมันเป็นทุกข์กษัตรย์คือมันต้องเป็นทุกข์มีแต่ทุกข์ตัวนั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ตัวนั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ตัวนั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปแล้วบอกว่าขันห้าไม่ใช่ทุกข์นีะพระพุทธเจ้าตัดว่าขันห้ามเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์มันก็ต้องทุกข์แลยแต่ใจไม่มีปัญหากับทุกข์นั้นเหมือนกับเสียงเนี่ยมันดังๆเนี่ยมันเป็นททททุุุกกกกกกแต่่่เเราาไไมมป็็นนนับออ้้คืดย เสียงก็เปิดดุ้มๆๆุ้เนี่ยมันทนได้ยาก Japanese. ความทุกข์ก็คือทนได้ยากแต่ใจเราไม่มีปัญหากับสิ่งที่ทนได้ยากอากาศร้อนอย่างวันนี้อากาศร้อนพวกเราไม่เห็นบ่น ก, ะกระตักคก็ไม่เห็นบ่นกรมตหนึ่งี่อากาศร้อนแอร์ก็ไม่มีอากาศการ็ร้อนมากเลยพวกเราเห็นบน่นกรมเพราะใจเราไม่มีปัญหาแต่สภาพที่มันทนได้ยากมันเป็นทุกข์กริย์มันเป็นทุกข์กริย์คือความเป็นจริงอ่ะเกิดมาเป็นขันห้ามันต้องทุกอย่างนี้แน่ ไม่อยากทุกข์ก็อย่ากเกิดสิพอเกิดแล้วก็ต้องทุกข์อย่างเงี้ยร้อนเปล่าร้อนไปอีกแล้วทุกเ ย, ย็นไปหนาวอากาศหนาวจัดทุกข์อีกแล้วหิวหิวก็เป็นทุกข์อีกแล้วอิม่มจัดทุกข์อีกแล้วเดี่ยเก็ปวดอุจละปวดปัสสาวะเอาเป็นทุกข์อีกแล้วไปไม่ทันปวดเอาเป็นทุกข์อีกแล้วเดยกก็ปวดหัวตัวร้อนหม่สยซบายเนี่นี่ก็เรื่องทุกข์กับสุขภาพวุ่นวายกับ โรคภัยไข้เจ็บเดืยวแก่เดือดเจ็บเดีืยวตายเดือดไปนู่นเดือดไป น, นี่เดือดฟันผุไปทําฟันพไปถอนฟันไปสารพัดเดือดก็ไปผ่าตัดเดือดก็ไปหาหมอสารพัดเลยเนี่ยแทุกข์กริย์เพราะว่าอะไรสภาพมันเป็นทุกข์ที่ทนได้ยากเนี่ยแล้วยังต้องกระทบกับเรื่องทางตาหูจหมูกเล่นไกาใจกระทบกับเรื่องที่ถูกใจก็รู้สึกสบายใจหน่อยกระทบที่ถูกไม่ไม่ถูกใจก็รู้สึ ก, กว่าเป็นทุกข์หน่อยเป็นทุกข์ เป็นทุกขกับเวทนาคือทนได้ยากากับสิ่งที่มากระทบเนี่ยแสงแดดร้อนจัดเนี่ยมากระทบเราเนี่ยมันทนได้ยากมันจึงเป็นทุกข์แต่ใจเนี่ยไม่เป็นทุกข์กับมันมันเป็นทุกขกษัตรย์คือทนได้ยากเสียงเนี่ยเขเปิดเครื่องเครื่องเสียงดังส้นลั่นเลยแต่เมื่อวานเนี่ยเขาก็จะคุยธรรมะกันแต่ก็เปิดดังส้นลั่นเลยมันเป็นทุกข์ที่ทนได้ยากออแต่ใจเราไม่ทุกข์กับมันก็เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็เลิกไปเองไงกร ท, ทีเราคราที่ไปปฏิบัติที่เอที่ ก้วก่อนเนี่ยมันกินเหล้าเราก็นึกว่าเออวันนี้อุตส่าห์เขาบอกว่ามันกินเหล้าเฉพาะเสาร์อาทิตย์เออธรรมดาเขไม่มากันหรอกไม่ทำมีคณะพไม่มีคนรับพักที่ไหนได้ไปไปตรงวันวาเลนไทน์ตอนนี้มันกินเหล้าทั้งวันทั้งคืนเราก็นึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็เลิกอ้าวกินกันตั้งแต่เย็นไม่เป็นไรเดี๋ยวเที่ยงคืนมันก็เลิกอ้าวยังไม่เลิกไม่เป็นไรจ้าตีห้ามนก็เลิกถึงสว่างมันยังไม่เลิกเลยนู่นนะถึงเที่ยงนู่นเองกินข้ามวันค้ามคืนเลยโอ้โหเก่งจริงจริงอ่ะไม่รู้ร่างกายทนไได้ยังงเออ แต่ก็เรื่องของเขาอ่ะเราก็เดินจงกรมไปให้พ่อมันก็กินเหล้าไปเราก็เดินจงกรมไปพ่อนั้นก็กินเหล้าไปก็ธรรมดาเลยเสียงตะลุงตุ้งต้องตะลุ่ตุงตามก็เปิดเพลงดังลั่นได้หมดอ่ ะ, อะเราก็เดินจงกรมไปมันเป็นเรื่องของทุกข์กริย์คือมันเป็นศัรูธรรมความจริงคือเกิดมาต้องรับทุกข์กับการกระทบถ้ามันกระทบแล้วมันรู้สึกว่าไม่บีบคั้นมันก็ไม่ต้องไปทุกข์มากเพราะเนี่ยพอใจเราไม่เป็นทุกข์ กับสิ่งที่เกิดขึ้นอาการในใจเนี่ยเราจะไปเลือกมันว่ามันจะต้องเป็นอย่างงู้นต้องเป็นอย่างนี้พอเราพบความจริงแล้วเราปล่อยวางได้มันจะว่างเปล่าไม่จริงครับมันมีแต่มันก็เดี๋ยวก็เป็นพอกระทบเรื่องที่ไม่สบายใจมันก็ไม่สบายใจกระทบเรื่องที่สบายใจมันก็สบายใจกระทบเรื่องที่ไม่สบายใจมันทุกทนได้ยากมันต้องทนุกข์ทนได้ยากเลยทำไมมันจะทุกขนไม่ได้มันก็ทนได้ยากกระทบเรื่องที่สบายใจแต่ใจมีปัญหากับเรื่องที่ไม่สบายใจเปล่ามันธรรมดาอืมของธรรมดา สิ่งใดอ่ะมันทนได้ยากเราก็ไม่เราก็เออใจมีปัญหากับมันไหมถ้าเรามีทนกับมันไม่ได้เรามีปัญหากับมันอ่ะทุกจริงจริงนนี้พระเจ้าตัดว่ามีแต่ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกเท่านั้นที่ดับไปเดี๋ยวก็เปลี่ยนทุกโผล่ใหม่อีกแล้วมันสลับหน้ากานไม่ทุกต้องตา ก, กับทุกต้องหูไม่ทุกต้องหูกับทุกจังตมูทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจกินอาหารถูกปากอ่ะวันนี้อร่อยไว้อ่ารู้สึกว่าเพราะอาหารไม่อร่อยออเดี๋ยว ไม่ทนไม่ได้ก็บนแหล้วใช่ไหมนี่มันก็ทางนั้นแหละแต่ไม่มีปัญหากับอาหารที่ไม่อร่อยเพอาะแต่อย่างเงี้ยมันก็เดี๋ยวไมถถ่ถูกใจต้องตาูจะหมุนไกลใจถูกใจต้องตาูจะหมุนไกลใจจะไปเอาอยัางไงต้องตามมหาบัวเนี่ยท่านเนี่ยติดท่านหูพองใสสว่างสวัยบเหมือนทะลุว้าทะลุดินเหมือนกลับไปเขายิงพู วันเฉลมประชานสาเดี๋ยวก็ทะลุลงไปใต้ดินเดผ่องใสเดี๋ยวเศร้าหมองเดี๋ยวผอเดี๋ยวเศร้าหมองเดี๋ยวผ่องใสมันทำไมเป็นอย่างงี้โอ้ยสู้ใหญ่เดี๋ยวเนี้ยจะทําแมันผ่องใสอย่างเดียวไม่เศร้าหมองคิดว่านิพพานควรจะผ่องใสอย่างเดียวเศร้าหมองไม่มีสู้อยู่จนกระทั่งทําขึ้นมาว่าท่านเอาว่าเอาว่าเอาว่าหน้อยหน้อยปฏิบัติอยากเป็นอรหันต์แล้วอรหันต์เขาปฏิบัติอย่างนี้เหรอดีรักชั่วชังเกียรทุกข์รักสุขอย่างนี้เหรอหรือว่าอรหันต์เนี่ยเขาทำใจได้หมดเนี่ย เขยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นโอ้ยไล่ไอ้ผ่องใสที่มันเป็นมันเป็นทุกขเวทนาไม่ใช่เหรอแล้วเศร้าหมองเป็นสุขมันเป็นทุกขเวทนาไอ้ผ่องใสมันเป็นสุขเวทนาไม่ใช่เหรอแล้วเวทนาขันเนี่ยทําไมท่านบัญญัติว่ามีทั้งสุขเวทนาทุกเวทนาอุเบกขาเวทนาหรือทุกขมสุขเวทนาเล่าถ้าปฏิบัติแล้วที่สุดแล้วนิพพานคือผ่องใสอย่างเดียวไม่มีเศร้าหมองอย่างนี้เวทนาขันก็ตัดมันออกมพราะทเหลืออันเดียวคือเวทนาขันที่แต่ เขียนไปเลยว่าสุขเวทนาขันไม่ต้องเขียนบอกเวทนาเพราะต้ามีเวทนาอย่างเดียวก็ต้องมีทุกเวทนาขันกับอทุกความสุขเวทนาขันมันไม่มีหรอกปฏิบัติไปเลยหรือแต่ผ่องใสอย่างเดียวอหรือแต่สบายใจอย่างเดียวไม่มีเออเมื่อไหรไม่สบายใจก็เป็นทุกเวทนาเออสบายใจก็เป็นสุขเวทนาแต่เราไม่มีปัญหากับสิ่งนั้นนะมีปัญหาก็แก้ไปดิอย่างเงี้ยเออเราไปคิดว่ามันจะต้องผ่องใสอย่างเดียวเออมันมีหรออาหารนั้นยังทำไม่ได้เลย โดนทาขึ้นมาว่าปฏิบัติอย่างนี้มันยึดถือไม่ใช่เลยเนี่ยถ้าเลยปล่อยวางความยึดถือเราลุลนิพานไปยอมรับตามความเป็นจริงแค่นั้นแน่เออเราก็ไปปฏิบัติอธิษฐานนั้นเนี่ ย, ปปนนยอย่างที่ว่านเนี่ยนะพุทธังตํรมังขจามิตํรมังขจามิตรรมังขจามิหรือพุทธานุภาเวนัสธรรมานุภาเวนัสสังขานุภาเวนัสเนี่ยไอฐานวุตตคุณธํรมคุณประังคุณบุญบา ร, รมีที่เราทำแล้วทั้งหมด บกคุณมีตามดาคุณคุณบาจารย์บรมินทร์ท่าทั้งหมดอะไรที่เป็นกิเลสทันหาที่เราไปที่ฐานไว้เข้าใจปิดอะไรไว้ไปที่ฐานอะไรต่างๆไว้ไปปฎถนาอะไรไว้โดยไม่รู้ตัวขอถอนให้เรียบวิจารณิติอวิชชาอะไรที่เราไปปฎถนาอะไรผิดๆไว้ไปตั้งใจผิดๆไว้เราถอนให้เกลี้ยงเลยแล้วก็เอขอให้สิ้นกิเลส ถอหมดแล้วมันเดี๋ยวก็เป็นยังไงไม่ต้องไปมันก็เป็นมันไ ป, นน เ, ปนเองก็ทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่า น, นไปไม่ต้องไปปรารถนาเอาอะไรแม้แต่นิพานปรารถนาไม้แต่จะเอ า, น, านิพานปรารถนานิพานก็ไปกิเลสเพียแต่ถอนวิจฉาทิติดับวิจฉาทิติอธิษ ฐ, ฐานถอนได้หมดถอนได้เกลี้ยงเลยเราต้องสิ้นทุกก่อนบนเราพ้นทะเลทุกในปัจจบันนี้ก่อนแล้วที่เหลือน่ะชีวิตที่เหลือก็จะช่วยเหลือผู้อื่นเองแหละมันจะว่าไปไปฏิไปอธิษ ฐ, ฐานช่วยเหลือผู้อื่นก่อนเราต้องพ้นทุกก่อนเราคือทะเลทุกได้ก่อนไม่ใช่ว่า เราไปคาลอยคออยู่ในทะเลทุกข์แล้วเราก็บอกว่าจะไปช่วยคนอื่นเนาะไม่ได้ต้องพ้นทุกข์ก่อนเดี๋ยวนี้บรรลุภายในพานเดี๋ยวนี้อย่างไงต้องบิรพานเดี๋ อ, อยู่ในมือก่อนให้ า, าที่เหลือเนี่ยเป็นผลผลัยได้แต่เราก็จะช่วยเหลือตันใช้กำลังเนี่ยหลอมรวมเอาพุทธานุภาเวนา่าธรรมานุภาเวนา่าสังขานะคุณพิรามดาวกุบาาจารย์อำนาจจิตนิบพยสุดอํานาจพลังจิตนิพพยสุดพลังธรรมชาติที่บุญบารมีทั้งหมดมาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวที่ใจให้มันสิ้นวิชาสิ้นกิเลสตัณหาในปัจจุบันนี้ อะไรก็ตาที่เป็นบิษณุทิฏฐิเป็นอวิชาไปทิฏฐานไว้อะไรอะไรไปขอไว้ปาฏนาอะไรมั่วๆตัวๆเราก็ล้างทิ้งเนอะแล้วก็เอาไปเอาทิฏฐานบุญบรารมีทั้งหมดมาใช้ในปัจจุบันที่ติดกิเลสในปัจจุบันไม่เอาไปเป็นอะไรแล้วไม่เอาไปใช้ทําอะไรใช้สีกิเลสปัจจุบันที่ส่วนวิชีวิตที่หเหลือก็ทำประโยชน์ผู้อื่นต่อไปนะเออการปฏิบัติได้ดีใช้ได้ทั้งหมดอ่ทั้งคู่เนี้ยคนเนี้ยได้ดีจะได้ทําประโยชน์ เออมันจะได้ยืนยันว่าคําสอนนะพุทธเจ้ามีจริงเราสอนทําได้จริงรู้จริงเห็นจริงเป็นจริงคําสอนพุทเจ้ามีจริงปฏิบัติได้จริงผู้หญิงผู้ชายทําได้หมดเน่ะโอ๊ยถ้าหลายคนปฏิบัติได้คนอื่นมันก็ต้องมันกลายเป็นแห่แหนตามกันไปแล้วคนอื่นก็จะเออยเขาทําได้นี่วะเราเอาบังไว้อะไรเงี้ยเรามัวแต่มัวเหงวเหงวเงาเงางี้ยเราก็ไปเราเอาปล่อยเขาดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็มันแต่ไปเหงวเงวุ่นวายอะไรในใจเราวุ่นวายแต่ตัวเอง อันนี้ยมันเป็นกิเลสตัณหาเพราะมันวุ่นวายแต่ตัวเองตัวเองตัวเองวีละตัวเองมันยุ่งวุ่นวายหมกมุ่นแต่ตัวเองเอใจมันไม่นึกถึงผู้อื่นบ้างเลยอ่ะไม่นึกถึงทำประโยชน์ผู้อื่นมันนึกถึงแต่ตัวเองตัวเองมันเป็นกิเลสตัณหาบรรลุภารไม่ได้หรอกใจมันนำทุกข์ทุกในปัจจุบันก่อนที่เหลือมันจะเป็นแผลล้นหัวใจเราออกไปแผ่เจือจานไปถึงผู้อื่นสรรพสัตว์ทั้งหลายเทพรดาอินพรมจมยักห์นาคคุณบรรลุคนทั้งสัตว์ทั้งหลายบนฟ้าใต้ดินในอากาศ แล้วก็แผ่วที่ส่วนในเขาหมดปาร์นาเขาดีมีสุขพันทุกคนทุกคนทุกขนทุกข์พันทุกมัวตะหมกบุญกับตัวเองไม่ได้เลื่อนได้ลาร์หมเลิกหมกมุ่นกับตัวเองสักทีไอ้หมกมุ่นตัวเองมันเหมือนลูกศรมันที่มกหาตัวมันพ้นทุกข์ไม่ได้หรอกมันไม่แต่ตัวเอตัวกูตัวกูตัวกูตัวกูอย่างเงี้ยมันไม่ลูกศรมันทุกทิศทุกทางมันไม่ออกจากใจไปหาคนอื่นบ้างเลยอะ่ะมันมีแต่ลูกศรทิ่มใจอย่างเดียวเลย มีแต่ตัวกูตัวกูตัวกูแล้วกูทําไมกูจะเป็นอย่างนี้ทําไมกูไม่เป็นอย่างนี้ทําไมกูจะเป็นอย่างนี้ทําไมกูไม่เป็นอย่างนี้อะไรวุ่นวายแต่กูกูกูอย่างงี้จะไปยังไงไม่ไปยังไงหรอกมันยุ่งวุ่นวายจากตัวเราเมื่อกี่ปีแล้วมีต่งางชาติมันไม่มีคนอื่นมั่งเลยนึกนึกถึงคนอื่นมั่งเออคนนี้เขาเป็นอย่างนี้เออเออเขามีทุกเนาะเขามีทุกมีทุกเออเนี่ยเราพ้นทุกเดี๋ยวนี้เราจะได้ช่วยเขาได้เขาเห็นเร า, น า, นา เ, ออเนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปสอนก็าหรอเออเนี่ยพอเราพูดออกจากใจคนอื่น้หี มันทำได้อย่างงี้เลยเหรอโอ้ออกเสียงออกไปโอ้โหคนนี้ถามทําได้อย่างงี้เลยเหรอแต่ละคนออกไปโอ้โหเก็ทําได้ยังงี้ก็ตามแห่ตามกันแล้วแต่เ น, นี้ยนี่อย่าวิธีการที่สอนคนอื่นน ะ, ะไปตไปพปต้บรรยายไปพูดให้เขาฟังหรอกเขาไม่ค่อยฟังหรอกโอ้แต่มันออกไปโอ้โหทำได้อย่างงี้เลยเดี๋ยถามงี้เลยเหรออาจารย์ตอบงงี้เหรอลูกศิษย์เราที่มา่ก่อนเนี้ยเคยฟังเราเมื่อเอ่อ20ปีมาแล้ว10กว่าปีมาแล้วใน20ปีมาแล้วเนี่ยมาฟังพวกถามตอบตอนหลังเนี้ย โอ้โหโอ้โหโอ้โหทำไมพวกนี้ไปถามขนาดนี้เลยปฏิบัติกันได้อย่างนี้เลยเหรอเนี่ยถามขนาดนี้อาจารย์ตอบไปเรื่ยโอ้โหไม่เคยเห็นไม่เคยฟังมาก่อนนี่สมัยอยู่กับเรามื่ก่อนยี่สิบปีมาแนละ้วปียี่สิบปีปฏิบัติมาพอเราก็ห่างเราไปนานนะไม่ได้ติดตามไม่ได้ติดตามเราโอ้โหกลับมาฟังใหม่โอ้โหโอ้โหทำไมคนรุ่นใหม่ยังไปเป็นอย่างเงี้ยคนรุ่นใหม่เนี่ยมันก็ออกไปคนอื่นก็แห่ตามเลยในะลูกเตะเก่าเราก็กลับมาอีกคนแล้วก็กลับมาอุ้ยเพราะอะไร อุ้ยไม่ใหม่ก็ทําได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยตามไม่ทันเลยตกใจเลยทำไมโอ uh, ้ก็ถามกันโ อ, uh, อ้ยก็มากระจี้กกันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยจี้กันหนับหนับนับนับนับดักซ้ายดักขวาดักซ้ายดักขวาโอ uh, ้ไม่เอาเราอยู่ไม่ได้ต้องรีบมาได้ไหมเดี๋ยวจะตกรถไฟบัวตกขบวนรถไฟเหมือนกับลงก้หมกมุ่นแต่ตัวเองจะเอาใ ห, este, าไห้ได้กูจะเอากูจะเอานิพานกูจะเอานิพานกูจะเอานิพานโอ้ยมันหมกมุ่นแต่ตัวเองไม่เป็นหรอกอย่างเงี้ยไปวางไป เออมันจะไม่สบายใจไหมสบายใจมันจะเป็นงานจ้างมันเหอะเออจ้างมันจะเป็นยังไงก็ตามสบายใจมันสบายใจก็เป็นเรื่องของขันห้าช่างเขาช่างมันจ่างเขาช่างมันจ่างมันเออมันจะเป็นยังไงอ่ะโอ้ยมันก็เป็นแหละใจมันก็ตึงกระทึบอยู่ทำไมอ่ะแต่ปัญหามันจะมีทั้งนั้นเนี่ยโอ้ยเราเห็นอรามทันทีนะมันปัญหาเวลาก็ไปรายงานท่้นปัญหาท่านปัญหาเนี่ยโอ้บางทีตั้งกว้างเลย ว่าอะไรใส่ไม่ได้เป็นอย่างนี้ว่าอะไรเงี้ยเอ้ยมันไม่มีหรอกเอ้ยขันห้ามมีอยู่เนี่ยพราแม่ครูอาจารย์เราไปอยู่องค์นั้นองค์นี้มาเนี่ยอหรหันเนี่ยที่ยอมรับสมุนเนี่ยเวลาท่านวิ่งกี่วันเนี่ยอุ้งตกใจเลยออืมันมีแต่ท่านเออไม่เอาออเเออนนมาแล้วก็แล้วไปแล้วก็แล้วไปเลยวี่งเสร็จแล้วก็เออแล้วไปเห็นนั้นแหะแต่มาคว้างตอนนั้นเลยคว่าท่านั้นเนี่ยเออแล้วก็แล้วไปเออเไม่ใช่ปะหมวยมัน มันต้องไม่มีนู่นต้องไม่มีนี่มันต้องว่างตลอดเวลาไม่มีหรอกมันเป็นยังไงถ้าคดเป็นอย่างงั้นเนี่ยถ้ามันไปเศร้าซีใจเป็นยังไงก็เป็นอย่างงั้นเน่ะถ้ามันไปเศร้าซีมันไม่ไปหลงกับมันไม่ไปหลงหลงสุขหลงทุกข์หลงดีหลงชั่วท่านไม่ไปหลงดีหลงชั่วไม่ไปหลงสุขหลงทุกข์ไม่ไปหลงว่างหลงไม่ว่างว่างไม่ว่างไม่สนใจหรอกความไม่สนใจนั่นจึงพ้นทุกข์ว่างไม่ว่างท่านรู้อยู่แต่ท่านไม่สนใจมันคิดดีคิดชั่วรู้อยู่แต่ท่านไม่สนใจ ไม่เข้าไปสนใจมันรู้ดีรู้ชั่วรู้อยู่แต่ไม่เข้าไปสนใจยึดถือมันสุขหรือทุกข์ก็รู้อยู่มันว่างหรือไม่ว่างก็รู้อยู่แต่ไม่เข้าไปสนใจยึดถือมันทั้งหน้าว่างไม่ว่างเห็นว่าช่างมันเถอมันจะว่างเออช่างว่างแล้วไม่ว่างเออเก็ไปนี้แน่มันก็สลับไปสลับมาเดี๋ยวว่างเดี๋ยวก็ไม่ว่างเดี๋ยวสุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวผ่องใสเดี๋ยวก็เศร้าหมองเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดชั่วเดี๋ยวคิดอย่างนั้เดี๋ยวก็สบายใจเดี๋ยวก็ไม่สบายใจโอ้ยมันเรื่องธรรมดากลางคืนเนี่ยคนนอนเย ลมพัดเย็นคืนเนี้ยโอ้ยใครก็อยากออกมาเดินเนี่ยเดินแล้วสบายใจแล้วตอนเนี้ใครอยากออกไปเดินบหมใบใบเนี่ยมันร้อนจะตายมีนาไม่สายอะไเงี้ยใบใบออกไปกลางแดดใครอยากเลยเพรเนี่ยมันก็รู้อยู่มันทนได้ยากแต่ใจมันไม่มีปัญหากับมันนะใจเราไม่มีปัญหากับมันไม่ทุกข์กับมันมันร้อนก็ร้อนเราก็รู้ว่าร้อนอยู่เออแต่พอมันเย็นเราก็รู้ว่ามันเย็นอยู่เออพอเย็นเราก็ออกไปเดินเออเดินเดินหายดีโอ้ปรรยากาศอย่าอย่าไปรีบไปนอนเร็วเลย อย่งี้ก็ออกไปเดินกันใหญ่วันนี้ก็ออกไปเดินกันคืนน่ะบอกว่ามันเดินหายไงแล้วก็อากาศมันอยู่ๆมันเย็นได้เมื่อคืนเนี่ยกลับมาพลิกเย็นเฉยเลยอากาศเย็นก็เลยไปออกไปเดินแล้วก็ปิดเครื่องเสียงที่กระจายเสียงก็เงียบแล้วก็ไปเดินเดินไปเดินกันสบายอย่างเงี้ยมันความทนได้ยากมันมีอยู่แต่ใจไม่มีปัญหากับมันเพราะว่าการกระทบย่อมมีอยู่อายตนะภายในภายนอกกระทบกับสิ่งที่ทนได้ยากก็อย่อมเป็นทุกข์ แต่มันเป็นทุกขเวทนาปล่อยไปเถอะแต่ใจเราอย่าไป ม, มีปัญหากับมันที่มีพระเนี่ยมาอยู่กับหลวงปู่ดูลนตโตโลเนี่ยวัดท่านก็ติดตลาดแบบเนี้ยแต่เนี่ยอยู่ไกลตลาดแต่วัดท่านอยู่ในกลางตลาดเลยอะ่ะมีมีตลาดลอ้อมรอบด้านเลยแล้วก็มีพระมากราบขอลาท่านไปปฏิบัติที่อื่นบอกไม่ได้คะโอ้ที่วัดท่านนี่นกหูมากเลยเสียงนกหูจริงเลยที่วัดท่านเนี่ยอหลวงปู่ดูลนตโลโอเคปะอ๋อ ท่านอ่านใจของท่านไม่ออกเหรออ่านใจท่านในดีเลยว่าเสียงมันมีปัญหากับใจหรือใจมันมีปัญหากับเสียงอ่ะใจเราไปมีปัญหากับเสียงหรือเสียงมันมีปัญหากับใจเออท่านก็เป็นอัลาหันอยู่ในถ้ากาตลาดแต่ท่านอื่นมันมีปัญหากับเสียงอแต่ใจท่านไม่มีปัญหากับเสียงเห็นว่ามันเลยเป็นท่านเป็นอัลาหันเสียงมันมีปัญหากับเราหรือเรามีปัญหากับเสียง อ่านใจเราตลอดเวลาเนี่ยเขามีปัญหากับเราหรือใจเราไปมีปัญหากับเขาอาการของใจเนี่ยเขาเปปัญหากับเราหรือเราไปมีปัญหากับเขาอาการที่รู้สึกว่าติดนั่นติดเนี่ยมันมีปัญหากับใจเราหรือเราไปมีปัญหากับอาการที่รู้สึกติดนั่นติดนี่เราพยายามอยากให้มันไม่ติดไม่ติดไม่ติดไม่ติดเราเริ่มมีปัญหากับบันแล้วมีปัญหากับสิ่งที่มันติดเออาการจะติดยังไงมันจะแย่มันจะหนักมันจะทึบจะติดจะแน่นยังไงเราไม่มีปัญหากับบันนก็ไม่มีปัญหาเลย แต่เราเนี่ยอยากจะให้มันไม่มีปัญหาไม่ติดอะไรเลยว่างอย่างเดียวอันนั้นเราเรามีปัญหามันไม่มีปัญหาอาการไม่มีปัญหาแต่เรามีปัญหาเราเดือดรุ่แล้วตอนนี้ยทุกจนหน้าเครียดเนี่ยเพอะไรเราจะเอามันมาไม่ให้ติดให้ได้มันว่างให้ได้อาการมันไม่มีปัญหาเลยใครก็เป็นเราก็เป็นใครก็เป็นครูบาอาจารย์ก็เป็นแต่ท่านไม่มีปัญหากับมันท่านเลยพ้นทุกข์เหมือนองคตเอาให้ใจมันหมดปัญหาแต่เ้น็เลยก็มีปัญหากับมันตลอดสิว่าใจจะหมดปัญหาได้ยังไง มันติดมันติดอยู่เนี่ยนะมันติดอะไรเราเห็นบางทีเดินมาก็สบายใจหัวเลาะล้วนถ้าติดก็ติดตลอดไหมหัวเลาะไม่มีหรอกเออเราไม่เห็นเองว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวเห็นเดินหน้าผอ่องใสอ่าเดี๋ยวกลับมาค้าอีกแหละเดี๋ยหน้าผ่องใสเดี๋ยวก็คําอีกแลววอ ว, อล ว, วมันเที่ยงว่าต้องดําตลอดแล้วสินี่หัวเลาะยังเอาเมื่อไหร่หัวลลาะก็ผ่องใสอ่าเดี๋ยวก็ก็จะเอากูจะเอาดํามืดอีกแหละเ้ย อาการของใจมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ใจเราไม่มีปัญหากับมันเองเราจะให้มันของใสตลอดเวลาไม่ให้มันมีปัญหาไม่ให้มีอาการที่ไม่ให้มีอาการที่ไม่สบายใจอันนี้อาใจเรามีปัญหาแล้วไม่ใช่อาการมันมีปัญหาไอเราอยากให้มันไม่ติดเนี่ยมันมีปัญหาไอติดไม่มีปัญหาแต่ใจเราอยากให้มันเนี่ยไม่ติดเนี่ยมีปัญหาเราอ่านใจเราไม่ขาดอะ